สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพเรซูตอนที่4 1 1เรื่องความล้มเหลวสีประการที่เกิดจากบุคลิกภาพหรืออุปนิสัยของเปโตรวันที่สองเรื่องที่สองครั้งที่สองก็คือเขาได้อธิษฐานน้อยไปครับ ชีวของเปโต้นั้นมีจุดอ่อนเพื่อที่จะเป็นบทเรียนของเราเราไม่ได้กําลังที่ภาคษาเปโต้ซึ่งเป็นผู้ที่เราเคารพสนับถือแต่บทเรียนที่ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นี้ทําให้เราได้เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของบรรดาบรรดชนแห่งความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปโต้ซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับหลายหลาคนก็มีความคิดว่า ทำไมเราจะต้องเอาเรื่องที่ไม่ดีของเปโตมาพูดจริงๆแล้วครับเราสามารถถอดบทเรียนจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้บางคำพีนั้นได้บันทึกถึงจุดมืดจุดบอดจุดอ่อนแอจุดที่หลายหลคนทาความผิดความบาปก็เพื่อเราทั้งหลายได้รับบทเรียนขายกตัวอย่างกษัตริย์ดาวิดครับ ขษัตว์ดาวิดนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในน้ำพระทยัยอยู่ในพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ดาวิดนั้นก็เคยทำผิดพลาดหลายอย่างครั บ, บพระกัมภี์บันทึกไว้ตามความเป็นจริงเพื่อที่ว่าเราจะต้องไม่ยกย่องดาวิดจนเกินไปเหนือกว่าทุกคนในโลกนี้ในขณะเดียวกันพระกัมพีก็ได้เขียนถึงความบกพร่องของกษัตว์ดาวิดเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้ถอดบทเรียนกันเช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงเปโตร เราก็จะต้องถอดบทเรียนในหลายๆด้านซึ่งเป็นข้อดีและข้อเสียจุดเด่นและจุดด้อยในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับเราอยู่ในตอนที่สองก็คือว่าเรารู้ว่าเปโตรนั้นอธิษฐานน้อยพระเจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัททิวบทที่ยี่สิบหกข้อสามสิบแปดข้อเดียวครับพระธรรมมัททิวบทที่ยี่สิบหกข้อสามสิบแปดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นได้เข้าสู่การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระองค์เองก็คือในบริบทของสวนเก็ตสมนเนซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ พระกัมภีรบรรยายว่าพระเศธโธหรือเหงือของพระองค์นั้นไหลออกมาเหมือนกับเป็นเลือดหยดลงสู่พื้นดินพี่น้องครับนี่คือการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระเยซูเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเข้าสู่การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนั้นพระองค์ต้องการแบ็กอัพครับพระคัมพีได้บรรยายว่าพระเจ้าพระบิดานั้นส่งทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์ ในขณะเดียวกันครับพระเยซูก็ต้องการเพื่อนเพื่อนของพระองค์ก็คือสหายของพระองค์นั่นเองก็คือเหล่าสาวกนะครับที่ติดตามพระเยซูอยู่นั้นพระเยซูได้บรรยายถึงความทุกข์ของพระองค์มากมายมหาศาลครับก็คือจิตใจเป็นความทุกข์าใจใจจาาทางด้านจิตใจจิตวิญญาณครับเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจจิตวิญญาณเพราะว่าพระเยซูตรัสเองว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย เคยได้ยินพระเยซูบ่นหรือพระเยซูได้ทําอะไรที่เป็นการเรียกว่าบอกกับพวกเราไหมครับว่าใจของพระองค์นั้นเป็นทุกข์แทบจะตายมีที่อื่นไหมครับไม่มีครับมีครั้งนี้ครั้งเดียวที่พระเยซูนั้นต้องการให้มีเพื่อนอยู่กับพระองค์ด้วยพระเยซูถึงกับตรัสว่าจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยแต่ว่าพระอัมภี์บันทึกต่อไปว่า เปโตหลับเราสาวกก็หลับด้วยครับในสิ่งที่พระเยซูได้เตือนสอนเขาก็คือต้องเฝ้าระวังอธิษฐานนะครับเพราะเหตุที่ว่าเขาอธิษฐานน้อยนะครับมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทําให้เขาอธิษฐานน้อยเช่นความเหนื่อยอ่อนทั้งทั้งฝ่ายร่างกายนะครับความเชื่อที่ยังไม่เพียงพอพี่น้องครับหลังจากที่เปโตนั้นได้กลับใจเสียใหม่แล้ว เปเยสูทรงเป็นขึ้นเหนือความตายเปียสูทรงสั่งสอนพวกเขาให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณเปโตนั้นได้รื้อฟื้นชีวิตของเขากับพระเจ้าใหม่ครั้งหนึ่งจ้วการฟื้นใจที่มาจากพระองค์เปโตก็เขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สี่ข้อที่เจ็ดนะครับบอกว่าอวาสานของสิ่งทั้งปวงใกล้จะมาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านจงมีสติสัมปชัญญะจงสงบใจเพื่อการอธิษฐานอันนี้คือ ฉบับภาษาไทย1971นะครับพี่น้องครับในภาษาอังกฤษ1ในภาษาอังกฤษนะครับไม่เหมือนกับภาษาไทยภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่สามประการครับก็คือท่านจงมี Sound Mind นะครับ Sound Mind ก็คือมีจิตใจที่เคลียร์ครับชัดเจนแจ่มใสนะครับและอันที่สองก็คือ Self r e s t r a i n Self r e s t r a i n ก็คือต้องบังคับตัวเอง พูดง่ายๆก็คือว่าต้องมีวินัยในการอธิษฐานครับและประการที่สามประการสุดท้ายนะครับก็คือ alertness alertness ก็คือตื่นตัวเฝ้าระวังในการอธิษฐานหนึ่งเปโตบทที่สี่ข้อเจ็ดซึ่งเป็นการกลับใจของเปโตเขาได้วางพื้นฐานหรือเคล็ดลับในการอธิษฐานอยู่ในที่นี้สามอย่างด้วยกันครับประการแรกก็คือจะต้องมีจิตที่ปลอดโปร่ง นะครับจิตใจที่ปลอดโปร่งแจ่มใสสดชื่นประการที่สองก็คือจะต้องมีวินัยในการอธิษฐานครับต้องเซลและสเตนนะครับมีวินัยบังคับตัวเองในการอธิษฐานครับและประการที่สามก็คือต้องมีความตื่นตัวหรืออันเลิศ s นในการอธิษฐานพี่น้องครับสามประการนี้ทําให้ไปโตนั้นได้กลับคืนสู่ชีวิตแห่งการอธิษฐานที่พึ่ง พ, พระเจ้าสุดๆใหม่ครั้งหนึ่ง ชีวิตของเราในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอย่าไปเรียนแบบชีวิตของพระเยซูขอโทษครับอย่าไปเรียนแบบชีวิตของเปโตก่อนที่เขาจะกลับใจใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เพียงแต่เขาเป็นคนที่ขี้โมโออวดเป็นคนที่พูดเร็วใจเร็วนะครับเขาอย่างอธิษฐานน้อยด้วยพี่น้องครับเราวันนี้นะครับเรารู้เคล็ดลับในการอธิษฐานสามอย่างจากพระคมภีรหนึ่งเปโตบทที่สี่ข้อที่เจ็ดนะครับเรารู้ชัดเจน และในขณะเดียวกันครับเราก็รู้ว่าเราจะต้องมีจิตใจที่เคลียครับมันหมายความว่าจิตใจที่รับการอภัยโทษจากพระเจ้าไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นระหว่างเรากับพระองค์เรากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเคลียหมายนะครับจิตใจที่สดใสชดชื่นแจ่มใสไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นและในขณะเดียวกันครับเรา ก็จะต้องมีเซลลเลสเซนก็คือมีวินัยในการอธิษฐานพูดถึงเรื่องวินัยในการอธิษฐานนะครับสถิติของบรรดาผู้เชื่อซึ่งได้มีการรวบรวมมีการสำรวจไว้นะครับเขาบอกว่าผู้เชื่อที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เชื่ออธิษฐานเฉลี่ยแล้ววันละไม่เกินสามนาทีต่อวันพี่น้องครับเฉลี่ยแล้วก็คือว่าวันละสามนาทีครับยางมากชุดเลยนี่คือการสารวจที่สเตียนผู้เชื่อ ผู้ที่ว่าเป็น professing believer นะครับเป็น professing believer ก็คือว่ายอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนนะนี่เขาอธิษฐานแค่สามนาทีต่อวันพี่น้องครับหนึ่งเปโตบทที่ห้าขาที่แปดนะครับผู้ชัดเจนครับให้เราระวังศัตรูของเราก็คือมารศัตรูของเราหรือมารซาตานนั้นวนเวียนเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เราต้องต่อสู้กับมันโดยใช้ความเชื่อ เราต้องเฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพี่น้องครับก่อนที่จะจบในเช้าวันนี้ผมอยากจะเรียนถามพี่น้องว่าเราอธิษฐานวันละกี่นาทีกันครับเราอธิษฐานกี่ครั้งครับวันละกี่ครั้งและเราลึกถึงนึกถึงพระเยซูคิดถึงพระเยซูกี่ครั้งต่อ ว, วันครับและเราขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้ากี่ครั้งต่อ ว, วันนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากหากว่าเราน้อยกว่าสามนาทีนะครับหรือเรามากกว่าสามนาทีไม่มากนัก เราจะต้องกลับใจขอพระเจ้าช่วยเราในการฟื้นฟูจิตวิ ญ, ญญาณของเราเพื่อที่เราจะไม่เป็นแบบเปโตกนะครับในที่สุดเขาก็ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุความอ่อนแอทางด้านบุคลิกภาพของเขาก็าคือเขาขี้โมโอดเพราะเหตุที่ว่าเขานั้นอธิษฐานน้อยนะครับขอให้สิ่งนี้ด้ห่างไกลาจากชีวิตของพี่น้องรักของข้า พ, พเจ้าอาเมน